สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสีกิวิบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่ห้าสิบเรื่องคุณค่าของปัญญาพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่แปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับสุภาษิตบทที่แปดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าปัญญาไม่ได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือณที่สูงข้างทางที่กลางถนน ปัญญาก็ยืนอยู่ข้างประตูหน้าเมืองที่ทางเข้ามุกปัญญาก็ร้องเสียงดังว่าโอ้บรรดาผู้ชายเอ่ยเราเรียกเจ้าและเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์โอ้คนเข่าจงเข้าถึงความอย่างรู้โอ้คนโง่จงเข้าใจเพียงครับผมจะอ่านอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้ท่านฟังนะครับปัญญาไม่ได้ส่งเสียงเรียกอยู่หรือความเข้าใจไม่ได้เรียก ร้องหรือปัญญายืนอยู่บนที่สูงริมทางเดินและตรงทางแยกปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ข้างประตูเข้าเมืองว่ามนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยมนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยเราร้องเรียกพวกเจ้าเราเป่าร้องแก่มนุษย์ทั้งปวงเจ้าคนอ่อนต่อโลกจงมีความสุ ข, ขุมรอบคอบเจ้าคนโง่จงใส่ใจในสิ่งนี้ ข้ามพีในบทที่แปดเป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเสียงเรียกของสติปัญญาพระธรรมตอนนี้ก็เป็นเสียงเรียกของสติปัญญาซึ่งตรงกันข้ามกับเสียงเรียกของหญิงแพทย์สยามในบทที่เจ็ดครับสติปัญญานั้นถูกเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงสาวที่นำทางเราพระสังเฤษแช่คาว่า person personify personify p e r s o n i f i e d personify นั้นแปลว่าการกระทำที่เปลี่ยนนามประทำนะครับการกระทำที่เปลี่ยนนามมาทำให้เป็นรูปธรรม ท, ที่นี่กษัตริย์โซโลมอนได้ปรีบเทียบปัญญาให้เหมือนกับหญิงสาวคือทำให้คุณปัญญานั้นกลายเป็น คนครับทำให้ปัญญากลายเป็นคนกลายเป็นผู้หญิงผมอยากจะขอเรียกว่าเป็นขุนผู้หญิงที่ชื่อว่าปัญญานี่คือ personify ซึ่งเป็นรูปแบบของการเขียนพระคัมภีในสมัยก่อนให้เห็นนามธรรมเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการง่ายกับเด็กๆที่จะเข้าใจ และทำให้เรารู้ว่าหลายใครั้งทีเดียวเวลาที่เราสอนเด็กๆทั้งเรื่องของนามธรรมเราต้องเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมครับซรมอนเปรียบปัญญาให้เป็นเหมือนกับหญิงสาวและผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าคุณคนผู้หญิงปัญญานี้ได้ร้องเรียกให้ทุกคนยอมรับเธอแ้ะเราจะเห็นว่าการร้องเรียกของสตรีท่านนี้ทำในที่แจ้งครับ เป็นการทนมที่ฉลาดมากเธอเรียกร้องในที่แจ้งในที่สาธารณะที่ทุกๆคนนั้นจะเห็นเธอได้เธอเชื้อเชิญทุกๆคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในทุกๆระดับอายุไม่ว่าจะเป็นคนโง่คนเขา่าหรือคนฉลาดพี่น้องครับคนโง่ก็ไม่ได้โง่ไปซะทุกอย่างนะครับและคนฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องการเธอเพราะว่าเราอาจจะฉลาดเรื่องนี้แต่ไปโง่อีกเรื่องหนึง่งหรือเราจะเป็นคนที่โง่ในเรื่องนี้แล้วก็ไปฉลาดอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงจาเป็นที่จะต้องการคุณผู้หญิงปัญญานี่แหละต่อมาเราเห็นว่าเธอชักชวนให้คนเหล่านี้รวมทั้งพวกเราด้วยผมด้วย จะต้องเข้าถึงความอย่างรู้ครับความอย่างรู้นั้นมีความหมายว่าสามารถรู้ล่วงหน้าได้รู้ล่วงหน้าถึงเรื่องอะไรครับรู้ล่วงหน้าถึงเรื่องของชีวิตรู้ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรต่อไปรู้ล่วงหน้าว่าจะมีกับดักมีหลุมพรางหรือการ ล, อล่อลวงอย่างใดเกิดขึ้นพี่น้องครับความอย่างรู้นี่แหละครับเป็น เครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายไม่เพียงแต่เท่านั้นครับคุณผู้หญิงปัญญานี้หรือคุณปัญญานี้ยังสอนให้มีไหวพริบในการดาเนินชีวิตด้วยให้เข้าถึงชีวิตและความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงจากตรงนี้นี่เองนะครับทําให้พวกเรานั้นจะได้ความฉลาดให้บังเกิดความฉลาดในแง่ที่ดีใช้ความฉลาดในแง่ที่ถูกต้อง และให้คนโง่นั้นมีความเข้าใจแยกแยะอย่างฉลาดพี่น้องครับตรงนี้มีอยู่สามประการด้วยกันก็คือมีความเข้าใจความเข้าใจนี้ก็มีความหมายว่าเข้าใจชีวิตนะครับคำที่สองก็คือแยกแยะอย่างฉลาดภาษาอังกฤษใช้คาว่า discerning หรือ discernment ก็คือแยกแยะความดีความชั่วครับ และประการที่สามก็คือความอย่างรู้ซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดนั่นจะต้องมีความเข้าใจ understanding เข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจเหตุผลของชีวิตเข้าใจความหมายของชีวิตประการที่สองคือคนแยกแยะอย่างฉลาดจะต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วให้ได้แยกแยะสิ่งที่ควรออกจากสิ่งที่ไม่ควรแยกแยะสิ่งที่ถูกต้อง อ, ออกจากสิ่งที่ผิด และประการที่สามก็คือการเกิดความอย่างรู้ในเรื่องราวต่างๆของชีวิตก็คือว่าเข้าใจว่าอย่างรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไรเพียงคับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากต้องมีความเข้าใจมีการแยกแยะและมีความอย่างรู้ผมจะไปถึงประเด็นถัดไปนะครับก็คือกริกสักโซลามอนกลังเปรียบเทียบคุณผู้หญิงปัญญา กับนางแพทย์สยาเราเห็นนะครับในบทที่เจ็ดและบทที่แปดอย่างน้อยมีสี่ประาการครับในวันนี้ประการแรกนะครับเราจะเห็นได้ชัดครับว่าคุณผู้หญิงปัญญานั้นหรือคุณปัญญานั้นเชิญชวนในขณะที่หญิงแพทย์สยาล่อลวงครับคุณปัญญานั้นเชิญชวนในที่สาธารณะแต่หญิงแพทย์สยาล่อลวงในที่รับ ประการที่สองครับคุณปัญญามีคุณสวัติที่ดีงามครับแต่หญิงแพทย์เสีนั้นเต็มไปด้วยความชั่วและความร้ายกาจประการที่สามครับทางของหญิงล่วงประเวณีหรือหญิงแพทย์เสีนั้นลึกลับและล่อหลวงแต่ทางของคุณปัญญานั้นเปิดเผยและสัจซื่อประการที่สี่ครับ คนที่ตามหญิงล่วงประเวณีนั้นจะพบกับความอับอายและจุดหมายปลายทางคือความตายความหายยะนะแต่ขณะที่ใครก็ตามที่ติดตามคุณปัญญานั้นจะได้รับความเฉลียวฉลาดในการดําเนินชีวิตคุณปัญญาเรียกใครครับคุณปัญญาเรียกคนโง่และคนเขาน่าคนโง่แปลว่าคนที่อ่อนต่อโลกหรือ แปลว่าประตูที่เปิดอยู่ครับประตูที่เปิดอยู่ที่มีแนวโน้มรับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีได้ปัญญากําลังให้ความสามารถในการแยกแยะและความสามารถในการเลือกอย่างถูกต้องครับเลือกให้ถูกเริ่มให้ถูกและปัญญาสอนให้เราจะมีความสุขขุมรอบครอบจะรู้จักป้องกันตัวเองได้ก่อนที่เราจะทาบาปด้วยเหตุนี้ครับ คนที่อ่อนต่อโลกคนโง่คนเขามีแนวโน้มที่จะล้มและพลาดในความบากเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการคุณปัญญาเข้ามาในชีวิตเขาต้องการคุณปัญญาเข้ามาในชีวิตเขาจะต้องใส่ใจในเรื่องเหล่านี้ความสำคัญของคุณปัญญาในชีวิตของเขาพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องมีความต้องการที่จะรับปัญญาและเราสามารถรับปัญญาได้ด้วยคำอธิษฐานครับด้วยการอธิษฐานทูลขอ เพราะปัญญานั้นคอยท่าเราอยู่ปัญญาคอยท่าเราอยู่ครับคอยเราอยู่แล้วมีอยู่แล้วเตรียมไว้ให้กับเราอยู่แล้วพระเจ้าจะประทานให้กับเราถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้กับเราเช่นเดียวกันกับความรอดที่ได้ถูกจัดเตรียมให้กับเราทุกคนแล้วความรอดในองค์พระเยซูคริส เพียงแต่เราเชื่อและไว้วางใจพระองค์เท่านั้นเองเราทูลขอความรอดจากพระองค์เราสามารถทูลขอปัญญาจากพระองค์ได้นะครับเราจะต้องเหมือนกับประตูที่เปิดอยู่คอยต้อนรับเรียกร้องปัญญาและขอให้ปัญญาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในใจของเราปัญญานั้นเหมือนกับอยู่บน ที่สาธารณคอยต้อนรับและเรียกร้องเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาเช่นเดียวกันครับเราเองก็จะต้องเชิญชวนนะครับทุกคนให้เข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าได้ความรอดเช่นเดียวกันกันกบเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจคุณปัญญาได้อย่างถูกต้องอาเมน